แห่งกษัตริย์บาโจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าบาโจพระราชาบาโจทรงเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมและดูแลผสนิกรของพระองค์เป็นอย่างดีแต่กรณนั้นพระองค์ก็ยังมีข้อเสียคือทรงติดการพนันมากถึงขนาดทรงสร้างบ่อนการพนันส่วนพระองค์ขึ้นเลยทีเดียวต่อมา พระราชาบาโจได้พบกับริโอนักปราดหนุ่มผู้มีความเฉลียวฉลาดแต่อ่อนน้อมถ่อมตนพระราชาบาโจรู้สึกประทับใจในอัธยาศัยของเด็กหนุ่มผู้นี้จึงรับสั่งให้ริโอเข้าวังและรับตำแหน่งนักปราดที่ปรึกษาส่วนพระองค์เพียงไม่นานริโอก็รู้ว่าพระราชาบาโจติดการพนันอย่างมาก ซึ่งเป็นนิสัยที่ผู้เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินไม่ควรมีและอาจนาไปสู่วิกฤตบางประการในอนาคตริโออยากเตือนพระราชาบาโจให้ทรงเลิกเล่นการพนันแต่ก็รู้ด้วยปัญญาว่าปัญหานี้คงไม่อาจแก้ไขได้ด้วยคำพูดเขาจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาอยู่หลายวันวันหนึ่งพระราชาบาโจเสด็จไปยังบ่อนการพนันสวนพระองค์กับเหล่าองครักษ วันนี้เป็นวันที่ผู้คนพากันมาที่บ่อนแห่งนี้มากเป็นพิเศษในขณะที่พระราชาบาโจสเสด็จทอดพระเนตรตามโต๊ะพนันต่างๆและกำลังตัดสินพระไทยว่าจะทรงเข้าเล่นการพนันชนิดใดที่โต๊ะไหนดีในตอนนั้นเองพระองค์ก็สังเกตเห็นนักบวชคราวงามคนหนึ่งยืนดําๆมองๆอยู่ที่โต๊ะพนันโต๊ะหนึ่งพระราชาบาโจรู้สึกขัดสายพระเนตรเป็นอย่างมาก ที่เห็นนักบวชเข้ามาอยู่ในที่อคโครจรเช่นนี้จึงรับสั่งให้องค์รักษ์ไปตามนักบวชผู้นั้นเข้ามาหาพระองค์แล้วทรงตรัสถามเชิงตำหิว่าท่านนักบวชท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเหตุใดไม่ไปบำเพ็ญศีลอยู่ในที่ทางของท่านมาอยู่ในบ่อนการพนันแบบนี้มันน่าดูนักหรืออ้าวนักบวชคราวงามร้องด้วยความแปลกใจ หม่อมฉันมาที่แบบนี้ไม่ได้หรือก็ไม่ได้นะสิพระราชาบาโจทรงกลิ้วเป็นนักบวชก็ต้องรักษาศีลธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ท่านมาที่นี่ชาวบ้านเห็นเข้าก็จะเสื่อมศรัทธาสอนอะไรไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วพระราชาบาโจก็ทรงสังเกตเห็นพวงเนื้อเค็มและขวดเหล้าที่เน็บอยู่ข้างๆเอวของนักบวชช้าชา นิท่านกินเนื้อสัตว์ด้วยเหรอแล้วเล่ายังราคาแพงนั่นอีกเป็นนักบวชกินของพวกนี้ได้ที่ไหนกันอ้าก็มันอร่อยนักบวชเขางามบอกอย่างไม่สะทกสะทานอะไรอร่อยหม่อมฉันก็ชอบหมดทีนี้ก็เลยกินได้สบายๆไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรแต่มันไม่ควรพราชาบาโจทรงแผดเสียงลั่นข้าแน่ใจว่าไม่มีชาวบ้านคนไหน มอบของเช่นนั้นแก่นักบวชแน่แล้วท่านเองก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเหตุใดจึงมีของดีราคาแพงๆเช่นนั้นอยู่ในมือได้นักบวชครางามลูเคราเล่นพรางหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเงินหน้าหาได้ไม่ยากหรอกหม่อมฉันก็แค่เข้ามาเล่นการพนันในบ่อนของพระองค์วันไหนชนะหม่อมฉันก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อของพวกนี้มากินก็แค่นั้นเอง แต่นักบวชไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ดื่มเหล้าและห้ามเล่นการพนันราชาบาจโจทรงแยง้งอะทําไมละฝ่าบาทนักบวชคราวงามถามเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะสิพระราชาบาจโจทรงตวาดอย่างเหลืออดแต่นักบวชครางามกลับหัวรเราะอะงั้นหรืออะไรกันถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆเหตุใดพระองค์จึงทรงทําได้ละ่ะในเมื่อพระองค์ ทรงเป็นถึงกษัตริย์และทรงยิ่งใหญ่กว่าหม่อมชั้นเสียอีกคำพูดของนักบวชคราวงามเปลี่ยนเป็นหอกแหลมได้อย่างไรก็ไม่รู้พระราชาบาจโจรู้สึกเจ็บเสียดพระไทยจนพูดอะไรไม่ออกนอกจากรับสั่งให้ทหารองครักษ์พาพระองค์กลับพระราชวังทันทีใครก็ได้ไปเรียกตัวริโอมาที พระราชาบาโจทรงรับสั่งหานักปราดของพระองค์ทันทีเมื่อเสด็จถึงพระราชวังพระองค์ต้องการทราบว่านักบวชที่ทำตัวเช่นนั้นมีความผิดหรือไม่และเหตุใดคำพูดของเขาจึงทำให้พระองค์รู้สึกเจ็บปวดพระไทยถึงเพียงนี้ซาบาดริโอเดินเข้ามาท่าท้งที่ยังติดหนวดเคราและอยู่ในชุดนักบวชพระราชาบาโจเห็นดังนั้นก็ทรงจาได้ทันทีว่า นั่นคือนักบวชคราวงามที่ทรงพบในบ่อนการขนานเมื่อครู่ริโอเจ้าเล่นตลกอะไรกันปลอมเป็นนักบวชหลอกข้าทำไมทำอย่างนี้จะต้องถูกตัดหัวรู้ไหมพระราชาบาโจทรงพิโรธมากพัพักแดงกั่มดุดันดูน่ากลัวหม่อมฉันยินดีรับผิดแต่ขอได้อธิบายเรื่องแก่พระ อ, องค์เสียก่อนริโอทูลขอยังมีหน้ามาขออีก ถ้าคาแก้ตัวของเจ้าไม่ดีพอข้าจะตัดหัวพ่อของแม่เจ้าด้วยสาบาทีท่หม่อมฉันทําทั้งหมดเพราะหวังดีต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงเห็นแล้วว่าหากนักบวชกินเนื้อสัตว์ดื่มเหล้าเล่นการพนันถือว่าเป็นเรื่องเสียหายมากก็ใช่แล้วไงแต่ถ้าผู้เป็นกษัตริย์ ท, ทาตัวเช่นนั้นบ้างยิ่งแย่กว่าเพราะประชาชนย่อมยึดถือพระราชาของพวกเขาเป็นแบบอย่าง สุดท้ายอาณาจักรนั้นก็จะพังพินาศทรงคิดดูสิพระเจ้าค่ะทุกวันนี้ประชาชนเข้าไปเล่นการพนันในบอของพระองค์มากมายแค่ไหนคนเหล่านี้ไม่ทำการงานอะไรนอกจากเข้าไปหาเงินในบอนและติดนิสัยขี้เกียจสุรุ่ยสุร่ายไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วต่อไปบ้านเมืองของเราจะเหลืออะไรไมิต้องขายแผ่นดินของเราให้แกอาณาจักรอู่นรองรือ พูดจบริโอก็ก้มลงกราบพระบาทของพระราชาบาโจและขอพระราชาทานอภัยโทษที่ได้ร่วมเกินพระองค์ตอนนี้พระราชาบาโจทรงเข้าใจจุดประสงค์ของริโอและทรงคิดได้แล้วดังนั้นพระองค์จึงไม่ถือโทษริโออีกต่อไปซ้ำยังก้มลงสวมกอดริโอและกล่าวขอบคุณเขาที่ช่วยเตือนสติหลังจากนั้น อาณาจักรของพระราชาบาโจทรงออกกฎหมายห้ามเล่นการพนันและบ่อนส่วนพระองค์แห่งนั้นก็ถูกดัดแปลงเสียใหม่ให้กลายเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมแก่เด็กๆและก็ชาวบ้านแทนตามคำแนะนำของริโอนักปราดแห่งกษัตริย์บาโจเธอทั้งหลายจงดูตนเองให้ดีว่าเธออยู่ในฐานะอะไร และสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมแก่ฐานะของเธอหรือไม่โดยเฉพาะถ้าเธออยู่ในที่ที่คนอื่นสังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลาหรืออยู่ในฐานะที่อาจจะสร้างแบบอย่างให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่งเธอก็ต้องคำนึงเรื่องการปฏิบัติตนให้มากเพราะการกระทำของเธอย่อมถ่ายทอดความดีเลวให้คนอีกกลุ่มหนึ่งได้และนั่นจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมในสังคม ที่เธอต้องอาศัยร่วมไปในที่สุดคนเป็นหัวหน้าควบคุมงานก็อยากได้ความขยันจากลูกน้องแต่ตนเองมักจะหลบงานไปนอนงีบอยู่บ่อยๆไม่นานองคกรนั้นก็จะมีแต่คนขี้เกียจงานไม่เดินหน้าและพบความล่มจมพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกอยากให้ลูกพูดจาไพเราะเพื่อเป็นเด็กที่น่ารัก ที่ใครๆก็พากันชื่นชมแต่พอทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านกลับใช้ถ้อยคำหยาบคายที่ฟังแล้วแสนระคายหูอย่างนี้คิดว่าลูกจะไม่นำไปใช้กับเพื่อนๆของเขาบ้างหรือแบบอย่างนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเราอยู่ในฐานะต้นแบบเรายิ่งต้องะระลึกถึงการกระทำของเราให้มากเพราะการปฏิบัติตัวของเราไม่ได้มีผลเฉพาะตัวเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงการกระทำของคนอื่นและอนาคตดีๆในภายภาคหน้าอีกด้วย